ต้นไม้เจ้าป่า110ที่ชื่อว่าต้นไม้เจ้าป่าได้แก่ต้นไม้ที่คนทั้งหลายครอบครองเป็นต้นไม้ใช้สอยได้ภิกษูมีทายจิตตัดต้องอบัตทุกกดทุกๆุครั้งที่ฟันต้นไม้เมื่อฟันอีกครั้งเดียวต้นไม้จะขาดต้องอบัตทุลใจเมื่อฟันต้นไม้ขาดต้องอบัตปาราชิก